ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องธรรมสงครามกับมารโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ พอดีวันนี้มีการบวชสมณะอีกหนึ่งโรคนะขึ้นมาก็เลยคิดว่าเออน่าจะเอาเรื่องของการบวชนะาให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันบ้างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสถึงเรื่องของการบวชนะว่าเป็นยังไงบ้างก็อาจจะเอามาสักสองสามสูตร นำมาอ่านให้พวกเราฟังดูพระพุทธเจ้าท่านมีตรัสเอาไว้นะท่านก็พูดถึงถึงตัวท่านเองก่อนคําว่าตถาคตเนี่ยหมายถึงคําเรียกที่พระเจ้าท่านใช้เรียกตัวเองนะก็เรียกว่าตถาคตอันนี้เป็นเหมือนกับถ้าถ้าเป็นพระที่บวชเนี่ยก็เรียกว่าอาตมาใช่ไหมพระที่บวชจะเรียกตัวเองก็เรียกอาตมาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีท่าเรียกตัวเองท่านเรียก เราตถาคตอย่างเงี้ยท่านจะใช้คำคำตถาคตบางคนไม่รู้นะว่าตถาคตนี่คือคืออะไรคือใครเป็นเหมือนกับสรรพนามที่ใช้เรียกอย่างเราเรียกตัวเองเราก็เรียกผู้หญิงก็เรียกดิฉันนผู้ชายก็เรียกผมอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าท่านใช้เรียกตัวท่านเองท่านใช้ตถาคตนะอย่างเช่นเราลองฟังดูพระสูตรนี้ นะจากปฐตใจปิฎกเล่มที่12นะข้อที่454พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบนะคว่าตรัสรู้เองโดยชอบก็หมายถึงว่ารู้แจ้งด้วยด้วยตัวเองนะโดยชอบนี่ก็หมายถึงโดยถูกต้องโดยถูกตรง อย่าอาไปแปลแบภาษาไทยนะตัดสู้เองโดยชอบกออ็ก็รู้เองชอบอะไรก็นะตามที่ชอบไม่ใช่นะคําว่าโดยชอบนี่หมายถึงว่าโดยถูกต้องโดยถูกตรงพวกนี้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิ ช, ชาและเจรณนะคําว่าถึงพร้อมแล้วหมายถึงว่าสามารถบรรลุนะถึงพร้อมเนี่ยบรรลุได้แล้วถึงที่สุดแล้ว ทั้งกายวาจาใจอย่างเงี้ยนะเราเรียกว่าถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาวิ ช, ชาก็แปลว่าความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ที่ถูกต้องและจรณะจรณะนี่ก็คือข้อประพฤติข้อปฏิบัติต่างๆไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกพวกเราคงาจะจำได้นะสวดมนต์อยู่บ่อยๆเนี่ยเยเขาเอามาจาก บทเนี้ยที่เราสวดกันอยู่อ่ะไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูนะใช้คำว่าพูุทธเจ้าท่านใช้ว่าไม่มีใครยิ่งกว่าท่านแล้วแล้วท่านเนี่ยเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ถ้าคนฟังด้วยไปก็โอ้โหพรเจ้านี่เป็นอะไรนะ เป็นศาสดาก็ไมายถึงว่าเป็นหัวหน้านะเป็นจ่าฝูงถ้าพูดโดยภาษาง่ายๆนะเป็นเป็นผู้เป็นใหญ่กว่าใครๆของเทวดากับมนุษย์ฟังแล้วแปลกๆแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ศึกษาธรรมะนะนู่นเลยไปตีเทวดาเป็นอะไรเลยตีเทวดาเป็นนู่น อ, อยู่บนฟ้านูน่น หรือไปอยู่ตามต้นไม้ต้นอะไรก็แล้วแต่ก็ลุกก เ, เทวดาเนยอยู่ตามต้นไม้ที่ไหนไหนแต่ไม่ใช่หรอกถ้าคนศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าคําว่าเทวดาของพระเจ้าหมายความว่าอะไรเพราะอันนี้พระเจ้าท่านมีตัดไปเลยท่านมียืนยันไว้ในพระไตรปิฎกก็มียืนยันว่าเทวดาเนี่ยท่านหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่นั่นแหละที่ชอบเอาไปตีความเป็นอย่างอื่น ไม่ไม่ตรงกับที่พระุทธเจ้าท่านหมายก็เลยบางทีก็เลยเข้าใจผิดเพี้ยงใบกายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไอจินตนาการนะเป็นเทวดาเป็นอะไรอ่ะสัตว์นรกเป็นอะไรที่มันมันไม่ใช่ละไม่ใช่อย่างพระุทธเจ้ทาท่านหมายเลยเพราะฉั้นเทวดาในที่นี้เนี่ยเป็นศาสดาของเทวดาเทวดาก็คือผู้ที่มีจิตใจที่สูงแล้ว นะเขาเรียกว่าเทวดาอันนี้ท่านเป็นศาสดาของเทวดานะไม่ใช่ศาสดาของของปุถุชนนะของคนที่กิเลสนาะหรือบางทีไม่ใช่ของดีรฉานดีรฉานนี่ไม่ได้แปลว่าอะไรนะหมูหมากาไก่นะดีรฉานนี่จริงๆหมายถึงคนโง่เขลาเบาบรรยานั่นเองนั้นเอง นั่นเปรียบเหมือนกับดีรัชานโง่เขานี่ไม่ใช่โง่ไอ้นั่นนะโง่เป็นด็อกเตอร์ก็มีนะอย่าไปเข้าใจผิดว่าโง่นี่คือปัญญาอ่อนชนิดอะไรนะไอคิวต่ำไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่า ง, งาั้นโง่ในที่นี่นี่หมายถึงว่าระดับความรู้ในทางธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมต่ำมากๆหรือแทบไม่มีเลย น, นี่คือโง่โง่ในธรรมะอาจจะฉลาดทั้งโลกอย่างโอ้โหระดับปริญญาเอกโอ้โหหลายใบด้วยไม่ใช่ใบเดียวแต่เนี่ยอาจจะเป็นคนโง่ในทางธรรมะก็ได้ต่อให้เป็นด็อกเตอร์เพราะอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ไปเป็นศาสดาให้ด้วยประเภทคนพวกนี้แล้วกับเภทคนพวกนี้ก็ไม่เอาด้วย <c oughs> ก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าให้เป็นศาสดาด้วย เพราขาโง่ไม่เอาหรอกต่อให้นะลงในทะเบียนว่าเป็นอะไรเป็นชาวพุทธแต่จริงๆแล้วไม่ได้เอาผู้เจ้ามาเป็นศาสดาเลยเพราะเนี่ยเนี่ยเนย ค, คือสัจจะอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นพพุทธเจ้าท่านตรัสเลยว่าท่านเป็นศาสดาของเทวดาเท่านั้นแล้วก็ของมนุษย์เท่านั้นนะของคนที่มีจิตใจสูงกับคนที่ประเสริฐแล้วมนุษย์นี่คือผู้ที่ประเสริฐแล้ว เนี่ยมนุษย์สมนุษย์โสบอกมนุษย์เนี่ยเป็นเราเนี่ยพวกเราเนี่เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วนะก็นี่แหละก็มาจากคําว่ามนุษย์เนี่ยแหละถ้าภาษาบาลีนะก็แปลว่าผู้ประเสริฐแหละวันพระพุทธเจ้าก็มาเป็นศาสดาให้กับเทวดากับมนุษย์พวกนี้เท่านั้นส่วนส่วนพวกเปรตพวกอสุรกายพวกอมนุษย์เนี่ย นี่นะดูนะจะใช้ชื่อเรียกอะไรก็แล้วแต่พวกดิรฉานพวกสัตว์นรกอะไรพวกนี้ผู้เจ้าไม่ไปเป็นาศาสดาให้ด้วยอะพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้ า, ถ, าถ้าเราเข้าใจศึกษาธรรมะเราจะรู้ว่าอ๋อทําไมผู้เจ้าถึงได้ตรัสอย่างนี้ล่ะเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จําแนกธรรมตถาคตนั้นทําโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลกตรงนี้ดูนะสามโลกนะเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญ ญ, ญ, ญาอันยิ่งด้วยตนเองหมายถึงอันนี้เป็นฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วที่สามารถที่จะแบบว่าท่านพูดง่ายว่าผ่านหมดนะ่าจะเป็นเทวโลกก็ตามจะเป็นมารโลกก็ตามจะเป็นพรหมโลกก็ตามท่านสามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงได้หมด เนี่ยแจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งคือสามารถจะแทงตลอดแทงทะลุเข้าใจหมดนะว่าทั้งสามโลกนี้เป็นยังไงบ้างนะถึงจะตัดสั้ไงถึงจะบรรลุธรรมขึ้นมาได้ด้วยตนเองแล้วสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามแสดงธรรมให้งามในเบื้องต้นงามในถ้มกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์เนี่ยคาว่าประกาศพรหมจันทร์ก็คือคําว่าพรหมจันทร์ในที่นี้นี่พรหมจันทร์ที่แปลดได้หลายอย่างพรหมจันทร์อย่างหนึ่งที่ที่เราฟังทั่วๆไปก็คืออะไรเป็นโสดมาไม่เคยมีคู่ครองไม่เคยอะไรมาเลยไม่เคยผ่านใครมาทั้งสิน้นเอาอย่างนี้พรหมจันทร์อันนี้เราพอจะรู้กันทั่วๆไปแต่พรหมจันทร์ในที่นี้ผู้เจ้า จริงๆแล้วนะ่ะถ้าในทางธรรมะแล้วเนี่ยพรหมจรรย์อย่างแรกไปถึงการปฏิบัติการปฏิบัติที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพรหมจรรย์นะอันนั้นเป็นความหมายของพรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงเรียกว่าผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนอีกความหมายหนึ่งพรหมจรรย์หมายถึงาศาสนาหมายถึงว่า รวมเลยแปลว่าศาสนาเพราะฉนั้นเนี่ยบอกว่าประกาศภรมอาจารย์นี่คือแหมประกาศศาสนาเลยนะว่าศาสนาที่ท่านบรรลุธรรมมาเนี่ยท่านตรัสรู้มานี่ศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้แหมมีการปฏิบัติธรรมได้สูงอย่างนี้แล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้จนเป็นอริยบุคคลขึ้นไปจนถึงเป็นพระอาหารหันต์ได้เนะีท่านก็ประกาศ คมาจันพร้อมทั้งเนื้อความทั้งพยั ญ, ญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะคราวนี้เอาล้นะตอนตอนนี้นนนพุทธเจ้าท่านกระตรามาถึงว่าท่านแหมบรลุธรรมตัดสรุแจ้งมาได้ยังไงไงนะท่านก็นบอกกุณสมบัติตัวเองมาหมดเลยจนกระทั่งพอถึงครั้นขรหาบดีบุตรขรหาบดีหรือผู้เกิดภายหลังในสกุลใดได้ฟังธรรมนั้นแล้ว ได้ศรัทธาในตถาคตแล้วหมายถึงอย่างคนลูกหลังหรือคนในยุคท่านก็ตามนะได้ยินได้ฟังธรรมะที่ท่านสอนไปแล้วเนี่ยนะได้ศรัทธาสอนแล้วก็โอ้โหเรื่มใสให้เรื่มใสเขารบเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นเขาย่อมตระหนักว่าคารวาสขับแคบเป็นทางมาแห่งฝุ่นละอองการบวชเป็นทางปลอดโปร่ง พระพุทธเจ้ า, จาท่านบอกเลยบอกเนี่ยถ้าใครได้ฟังแล้วเนี่ยถ้าใครมีสะสมวาสนาบารมีมาเพียงพอได้ฟังแล้วจะศรัทธาทันทีพอศรัทธาปั๊บจะเห็นสัจจะเห็นความเป็นจริงเลยว่าชีวิตแบบคารวะนะโอ้โหมันไม่ปลอดโปร่งเลยนะมันเต็มไปได้วยฝุ่นละอองคําว่าฝุ่นละอองหมายถึง อกิเลสต่างๆนี่แหละฝุ่นละอองนะอันนี้เป็นคําเปรียบพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเอาไว้ว่าเนี่ยคารวะเนี่ยคับแคบเป็นทางมาแห่งฝุ่นละอองนะคาว่าคับแคบก็คือไม่กว้างอะไรไม่กว้างมั้งนะโดยเฉพาะใจไม่กว้างใจไม่กว้างใจจะแคบเพราะอยู่ในสภาพสังคมอะไรต่างๆใช่ไหมโอโปากัดตีนถีบทามาหากิน บางทีก็ถีบซ้ายถีบขวาเสร็จแล้วยังไงมันก็ต้องเอาตัวรอดคุณจะยังไงก็ตามในที่สุดก็จะต้องเห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่ครอบครัวบางคนอาจจะไม่เห็นแก่ตัวเองก็อย่างน้อยก็ต้องเห็นแก่ครอบครัวเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นเลยเนี่ยผู้เจ้าท่านเลยตัดว่ามันทําให้แคบไม่สามารถที่จะเสียสระไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้เต็มที่ เนี่ยมันก็แคบลงแคบลงเพราะฉะนั้นใครเนี่ยยิ่งมีครอบครัวยิ่งมีอะไรอะลูกหลานยิ่งมีเคือญาติของตัวเองนะ่าเยอะเยอะแยะเท่าไหร่ก็ตามในทางโลกโลกนะอันนี้หมายถึงในทางคารวะโลกโลกเนี่ยแหละก็ยิ่งโอ้โหอา้าวไอ้นี่ก็ลูกฉันไอ้นี่ก็หลานฉันไอ้นี่ก็เคือญาติฉันมันหนีไม่พ้นเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องช่วยเคือญาติลูกหลานนะเอาไว้ก่อนเนะี่ คนอื่นก็ต้องทีหลังเป็นไปโดยสภาพความเป็นอยู่เพราะมันแคบไปเองโดยอัตโนมัติเพราะคือไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ช่วยเหลือกันไม่อะไรกันโอ้โหแตกเน่บ้านแตกหรือไม่ก็ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเพราะมันมันโดนบีบไปในตัวเลยแล้วจะมีสักกี่คนไปถามเราลองถามตัวเราเองดูก็ได้ไม่ต้องไปถามคนอื่นเขาหรอก ถามตัวเราเองดูซิว่าแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราเนี่ยนะไว้วางใจไว้วางใจคนอื่นหรือว่าถ้าเราเนี่ยจะเสียสละบางทีเงินทองเข้าของเนี่ยนะให้คนอื่นกับให้ลูกหลานตัวเองแต่เวลาคุณเปียบต้องเปียบให้เป็นนะสมมุติว่าคุณเปียบคนอื่นเนี่ยต้องดีกับลูกหลานเราดีนะเปียบดีกับดีเหมือนๆกันนะมันถึงจะ เปรียบกันได้ถูกต้องไม่ใช่ก็คนอื่นเนี่ยมันเลวลูกหลานเราดีกว่าเราก็ต้องช่วยลูกหลานเราก่อนอไม่ใช่ถ้าเปรียบอย่างงี้ไม่ได้เปรียบอย่างนี้นี่มันไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นกับเครือญาติแล้วอันนี้ประเด็นมันอยู่ที่ดีหรือว่าไม่ดีใช่ไหมวันถ้าจะเปรียบว่าถ้าคนอื่นก็ดีลูกหลานเราก็ดีดีเท่าเท่ากันอย่างเงี้ยถ้าจะต้องช่วยคุณช่วยใครก่อน คุณถึงจะเห็นชัดแง่แง่ก็ต้องช่วยลูกเราก่อนอช่วยครอบครัวเราก่อนแน่แน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ได้ง่ายเลยแต่ถ้าเราไปเปรียบว่าคนอื่นดีกว่านะครับที้อาณนาะเอาคนอื่นดีกว่าลูกหลานเราไม่ดีเราก็เลยช่วยคนอื่นอ่อันนี้อันนี้ก็ถูกใช่ไหมแต่ต่อให้คุณช่วยคนอื่นก็เหอะถามจริงคุณตัดลูกหลานนี่คุณตัดขาดแม่ไม่มีทาง ก็มันก็ลูกหลานจริงๆเนี่ยถึงถึงมันจะเลวอ่ะนะถึงมันจะเลวคุณก็ตัดไม่ขาดยังไงก็ตัดไม่ขาดรแล้วก็ในสภาพความเป็นจริงนะคนอื่นคนภายนอกเนี่ยยังไงอาตมาว่าว่าอะไรอะ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ร่วมทุกรวมสุขใช่ไหมไม่ได้แบบว่าโอ้โหลําบากลําบนอะไรมาด้วยกันยังไงคกูก็ต้องคิดเข้าข้าง พวกเดียวกันก่อนมันมันเป็นกิเลสที่ต้องมีโดยอัตโนมัตินะแต่ถ้าทางธรรมะจริงๆเนี่ยเราก็ตัดนะเรื่องเครือญาติเพราะนั้นการมาบวชจริงๆเนี่ยครูเจ้าถึงให้ตัดพ่อแม่ก็ตามพี่น้องก็ตามต้องถือเลยต้องตัดชั่วเลยไม่มีแล้วนะต่อไปนี้หมดนะถึงให้เปลี่ยนชื่อใหม่เลยไงถ้ามาบวชเนี่ยเลิกเลยนะทิ้งชื่อเก่าเลย มาใช้ชื่อพระซึ่งเป็นชื่อใหม่เราเรียกว่าฉายาใช้ชื่อใหม่เลยให้ถือว่าเป็นการเกิดใหม่เพราะนั้นตายแล้วนะตายจากครอบครัวเก่าแล้วนะไม่ใช่อยู่กับพ่อแม่พี่น้องอย่างเดิมแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นน่ะคุณคิดดูสิขนาดพระเจ้าท่านใช้กรรมวิธีพวกนี้นะให้คุณตัดใจนะชั่วชั่วชั่วตัดเลยนะมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของมีเงินทองมีอะไรให้ตัดหมดเลย ชนิดที่เรียกว่าทิ้งของเก่าเกลี้ยงเลยเนี่ยไม่ให้เหลือเลยชื่อสกุลก็ไม่ให้เหลือตัดมาหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเพราะวั้นพอมาตั้งชื่อใหม่ใช่ไหมอันนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับถึงบอกว่าเปรี่ยนเหมือนกับทวิชาตพวกพวกพวกนกนกนี่เรียกว่าเกิดสองครั้งนะครั้งแรกออกมาเป็นไข่เสร็จแล้ว จากนั้นไข่ค่อยออกมาเป็นตัวอีกที่นึงหน้าเจาะกระเพาะไข่ออกมานั่นแหละเท่ากับว่าท่านเปรียบเหมือนกับว่าเกิดทีแรกเนี่ยคืว่าแม่เนี่ยแม่จริงๆเนี่ยออกมาเป็นไข่ได้เท่านั้นเองแต่ส่วนพระเจ้านี่แหมให้เจาะกระเพาะไข่ออกมาคือการบวชออกมาเป็นตัว นะก็ถือว่าเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่สองทวิชาติเนี่ยมายถึงชาติที่สองทวิคือสองวันพวกนกพวกอะไรเนี้ยเขาเรียกพวกทวิชาติวันตอนเนี้พวกอาตมาก็เป็นเหมือนทวิชาติชาติที่สองแล้วไม่ใช่ชาติแรกทั้งทั้งที่เนี่ยยังเป็นตัวตนอยู่เหมือนเดิมเล่นะแต่ถึงอย่างนี้จริงๆครับอาตมาเปรียบให้พวกคุณฟังว่าโธ่ จิงๆมีสักกีลายจะตัดตัดใจได้จริงๆฮะพ่อแม่ลูกพี่น้องคือญาติต่อให้มาบวชยังไงนะก็วันนี้เราก็ฟังน่ะเห็นไหมฟังที่เวลาเวลาบวชก็แม้บอกนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้บอกวิธีการปฏิบัติต่างๆนานามีสีอย่างนี้งี้ๆบัดนี้เธอได้ต่างจากเป็นคลหัดแล้ว <c oughs> มาบวชแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โอ้ ก็เข้าใจอ่ะก็ฟังก็เข้าใจแต่ชีวิตจริงๆอ่ะมาถึงบอกก็ยังไงกูก็ยังตัดไม่ได้อยู่ดีคําว่าตัดไม่ได้เนี่ยคือก็ยังเป็นพ่อแม่ก็ยังเป็นพี่น้องเป็นเคุณยญาติเราอยู่ดีมันตัดอันนี้นี่ตัดจริงๆคือตัดอะไรตัดใจต้องตัดใจให้ได้ถ้าส่วนๆวน่าคุณมาบวชแล้วเนี่ยคนนั้นก็ไม่ใช่โยมพ่อโยมแม่เราแล้วมันเป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความเป็นจริงเพราะยังไง ก, ก็ยังเป็นโยมพ่อโยมแม่ยังเป็นพี่น้องคือญาติอยู่ดี่แหละแต่ตอนนี้เราก็พยายามแม้แต่ที่นี่เราใช่ไหมเราก็พยายามแบบว่าเอาล้นะต่อไปนี้ไปเราก็ให้คุณค่าให้ความสำคัญของญาติธรรมใช่ไหมมากกว่าญาติทางสายโลหิตก็ต่อให้พูดอย่างนี้ก็เหอะ ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีสติพอคุณตามจิตไม่ทันก็เหมือนเดิมมันก็ยังเข้าข้างพวกตัวเองอยู่เหมือนเดิมแหละมันจะไม่เข้าข้างเรื่องของธรรมะเป็นใหญ่หรอกนะในคติหรือนโยบายอย่างของพวกเราเนี่ยนะมีบันทึกไว้ในระเบียบการของพวกเราอยู่แล้วว่าเราจะเอาธรรมะเป็นใหญ่เราจะไม่เห็นแก่หน้าใคร ภาษาพูดไปเลาะดีมากแต่ความเป็นจริงคุณทำได้ถึงขนาดมั้ย น, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยครเจาถึงได้บอกเห็นไหมว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งฝุ่นละอองการบวชเป็นทางปลอดโปร่งท่านใช้อันนี้เลยโปร่งยังไงเวลาบวชแล้วโปร่งไงหนึ่งโปร่งอย่างแรกคือไม่ต้องมีเงินโปร่งอย่างแรกไม่ต้องมีเงินสักบาทหนึ่ง สบายแต่ก่อนนี้ตื่นมาเอาแล้วจะไปหาเงินที่ไหนจะไปขายอะไรหรือจะไปทำงานอะไรเพื่อให้ได้เงินมาวันนี้จะต้องกินจะต้องใช้อะไรเงินทั้งนั้นน่ะแต่ตอนนี้พอมาบวชเป็นพระแล้วสบายสิก็ไม่ต้องมีเงินสักบาทดึงก็ไม่ต้องไปหาเงินด้วยหาหามาผิดด้วยนะพู้เจ้าห้ามไว้ด้วยนะ เพราะนั้นหามาก็ไม่ได้เหมือนนะมันสบายตรงโอ้โหมันไม่ต้องมาคอยวุ่นมากังวลมาคอยคิดนะเดี๋ยวจะต้องทําอะไรจะไปขายอะไรจะเก็บยังไงนะเขาถึงไม่มายืมเราหมดสารละพัสสารลเพแต่พอคุณไม่มีเงินแล้วโอ้โหมันปลอดโปร่งเลยจริงๆไม่一样กันแต่ก่อนนีนะจะทําอะไรจะไปคิดขณะเรามาเป็นผู้ชายนะแต่มยังรู้สึกว่า โอ้แต่ก่อนทามาหากินก็ยังคิดเลยเออเราน่าจะทําให้นั่นทําให้นี่มีเงินแล้วก็ฝากธนาคารไม่นั่งเก็บไว้เอาไว้กินไว้ใช้ไว้อะไรน่ะและ้วอาตมาเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยคิดยิ่งกว่าผู้ชายอีกหลายเท่าใช่ไหมละ่ะผู้หญิงยิ่งคิดมากกว่าอีกตั้งหลายเท่าจนบางทีอาตมาเคยใช้คําหนักหนั ก, นกอยู่บ้านเหมือนกันว่าพวกพวกพวกเนี้ย พวก า, าสมบัติาสมบัติเอาจริงๆบางคนนี่เขาแต่งงานแต่งการไปนะมีครอบครัวมีอะไรไปปรากฏว่าเขาไม่ไม่ไว้ใจหรอกนะว่าสามีนี่จะเลี้ยงดูเขาไปตลอดรอดฝั่งไหมไม่ไว้ใจหรอกยิ่งสังคมทุกวันนี้โอ้โหเละเทะมากเลยเรื่องของกรรมราคเรื่องอะไรอย่างต่างไว้ใจยากใช่ไหม เพระนั้นในที่สุดต้องป้องกันตัวไว้ก่อนโดยยังไงเก็บมีอะไรอะไรก็เก็บเขาถึงยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ไงพยาบานเพราะว่าผู้หญิงมีอันนี้อยู่แล้วเพราะาคือไม่ให้เป็นใหญ่สิอ่าอย่าไว้ใจกันไม่ได้คือไม่ให้เป็นใหญ่เพราะว่าผู้หญิงจะรู้สึกแหมสบายใจหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าวางใจได้หน่อยว่าถ้าฉันกลุมมันหนีไว้เนี่ยนะเผลอ พ่อเจ้าประคุณจะเลิกกันหรือว่าจะไปมีใหม่อะไรอย่างน้อยฉันก็แม่มีก้อนนี้อาไว้แล้วฉันสบายใจหน่อยอะถึงยังไงก็จะ่ไม่มยังคิดว่าเอาตัวเองพอไปรอดได้เพราะในที่สุดอันเนี้ยไม่ค่อยเชื่อใจคนะ่ะแต่เชื่อใจทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เพราะคนเชื่อยากใช่ไหมคนที่เชื่อยากยิ่งคนไม่มีสินะ่ะ คุณก็ยิ่งเชื่ อ, อยากอะขนาดคนมีสีนี่ไม่รู้มีสีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยขนาดคนมีสีเนะ่ยเพราะเรื่องพวกนี้นี่มันเลยแบบว่าเนี่ยขรารวาก็เลยเป็นความคับแค้แบบนี้นะแต่ถ้ามาบวชแล้วมันก็ปลอดโปรง่งนะ่าสบายเรื่องเงินทองก็ไม่ต้องห่วงเรื่องครอบครัวก็บอกแล้วโอ้ตัดหมดเลยก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลอะไร นะเรื่องครอบครัวเขาตัดออกมาแล้วนี่นะพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ตัดมาหมดตัดโอตัดภาระตัดอะไรหลายอย่างเลยก็เหลือแต่ตัวเองที่จะต้องอบรมทนะจะต้องสร้างตัวเองให้ดีเสร็จแล้วการมาบวชเนี่ยพู้เจ้าท่านบอกว่าปลอบโปรงก็เพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับพู้เจ้านี่ท่านสร้างสั ญ, ญลักษณ์หรือสร้างหรือได้ประกาศ ให้ชาวบ้านทั่วไปได้รับรู้แล้วว่าคนที่มาบวชเนี่ยคือคนแบบนี้คือคนที่ต้องพยายามมาตัดใจแล้วนะทราบสมบัติเข้าของเงินทองเครื่อยาต่ต่างต้องตัดนะเพื่อมาลดล่กิเลส ต, ตัวเองก็ประกาศให้ให้ชาวโลกให้ในสังคมนั้นเขารับรู้เขารับรู้แล้วเป็นยังไงคราวนี้ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยอะมอไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มี เพราะนั้นได้แต่ยังไงแล้วควนี้เช้าๆก็ไปบินธบาทคนใส่ให้ก็ได้ฉันนะคนไม่ใส่ให้ก็ไม่มีอะไรฉันเนี่ยเป็นความบอดโปง่งไปรูปโปรง่งจริงหรือเปล่าบางคนรู้สึกแมมมันไม่โปร่งก็มันบาดเสียววันไหนไปบินไม่ได้อะไรก็อดเตอทีใช่ไหมแต่ไม่ใช่หรอกความเป็นจริงเรารู้อยู่เลยว่าพระเจ้าท่านสร้างาศาสนามาจนอุย้ยสองพัน กับปีมาแล้วเนี่ยคุณคิดดูสิบวดเป็นพราดเนี่ยคดีขนาดว่าบางทีเรารู้สึกไม่ค่อยน่าเคารพไม่ค่อยน่าศรัทธาสักเท่าไหร่เลยหมายถึงว่าดูภายนอกอะนะแต่บางทีเรายังยังไงโอ้แล้วยังช่วยเหลือเรวยังอะไรอะบางทีนะ่ารู้ว่าท่านขายแค่งอะไรบางทีเรายังเออยังให้ไปเลยเห็นแก่พระเหลือง อันนี้เป็นสำนวนที่ใช้พูดกันว่าอันนี้เห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยนะโอ้โหสบายมากเลยพรเจ้าท่านสร้างอันนี้ไว้โอ้โหเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากจนในที่สุดทุกวันเนี่ยกลายเป็นเรื่องเรื่องที่คนที่ไม่ตั้งใจมาถือศีลปฏิบัติธรรมเลยอาศัยบุญบา ร, รมีที่พระเจ้าท่านสร้างเอาไว้นี้มาอยู่ในคราบของนักบวช อาศัยจีวรมาคุมกายแล้วก็มาหากินจนกลายเป็นทําให้ศาสนานี่เสื่อมเสื่อมเพราะคนมาทําไม่ดีทําให้ศาสนานี่เสื่อมนะศาสนาเกี่ยวเนื่องอยู่กับคนศาสนาไม่ใช่ตาําราศาสนาไม่ใช่แค่ตัวหนังสือศาสนาไม่ใช่แค่คําพูดศาสนาไหนเนี่ยถ้าไม่มีคนไม่เรียกว่าศาสนา ศาสนาจะต้องมีคนถึงจะเรียกว่าศาสนานะรันใครตั้งศาสนาอะไรมาแล้วไม่มีใครปฏิบัติเลยเฮ้ยมันเรียกศาสนาได้ไงแล้วก็จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเนี่ยศาสนาที่ปฏิบัติได้เพราะมันไม่มีใครเนี่ยก็เมื่อถ้าคนมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ได้ใช่ไมจะบอกว่านี่คนไม่ดีแต่ไม่ใช่ศาสนาไม่ดีก็ถูกจะพูดอย่างนั้นก็ถูก แต่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อะถ้าในศาสนานั้นมีแต่คนไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยคนดีเหลืออยู่คนเดียวสมมติโอ้โหจะเรียกศาสนายัางไงได้เรียกเรียกไม่ได้หรอกนะจริงๆศาสนาไม่ต้องมีองค์ประกอบนะเามีศาสดาผู้ตั้งมาแล้วก็มีธรรมะมีพระธรรมเนี่ยที่เป็นคำสอนแล้วก็มีผู้ปฏิบัติได้ด้วย สมมติมีศาสดาปฏิบัติได้อยู่พระองค์เดียวคําสอนดีมีอยู่แต่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้เลยเอา้าไม่จริงสิอย่างงี้ก็แสดงว่าเพราะศาสนานี่ผู้จชาติบอกแล้วนะเป็นเรื่องของมูมิตร ด, ดีสหายดีเป็นเรื่องของการรวมตัวกันของคนจํานวนมากไม่ใช่แค่คนสองคนแค่นั้นไม่ใช่ นพระธศาสนาจะต้องประกอบไปด้วยหมู่คนและเป็นหมู่คนที่ปฏิบัติดีด้วย